เจ้าได้สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลเหล่านี้ส่วนมากไม่ได้สวมเสื้อผ้าชนิดที่เรานุ่งห่มกันอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าก็เลยสันนิษฐานเอาเองว่าคงจะได้มาอยู่ในโลกนี้เป็นเวลานานแล้วทั้งสิน้นในเรื่องนี้เอ็ดวินได้บอกแกข้าพเจ้าว่าไม่เป็นความจริงเช่นนั้นเสมอไปทุกทกคนมีสิทธิที่จะสวมเสื้อผ้าชุดจะเป็นชิพได้ด้วยกันทั้งสิน้น ในเมื่อได้ละโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกนี้แล้วแม้เราเองก็เช่นเดียวกันลักษณะของเสื้อผ้าของชาวโลกทิปนี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการลำบากอย่างยิ่งที่จะที่บายให้ท่านเห็นภาพได้ให้ใกล้เคียงกับความจริงเพราะวัตถุที่สร้างขึ้นเป็นเนื้อผ้านั้นก็เป็นของที่หาไม่ได้ในโลกมนุษย์นอกจากนั้นยังมีแสงเป็นประกายวาวออกมาจากเนื้อผ้า ซึ่งแลดูคล้ายๆกับจะมีสีน้ำเงินและชมพูเหลืองกลมกลืนกันโดยตลอดผืนซึ่งยาวปกคลุมร่างกายและสวัดพริ้วเป็นแสงเรืองรองน่าดูยิ so ่งเนื่องจากเราทั้งสามยังนุ่งห่มด้วยชุดในโลกมนุษย์อยู่ตามเดิมเอ็ดวินจึงออกความเห็นว่าเราควรจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของเราให้สมกับกาลาเทซาเซทีเราทั้งสองคนคือข้าพเจ้ากับรูตก็เห็นด้วยในข้อนี้ ทั้งๆ ท, ที่ยังรู้สึกงงงวยอยู่ว่าเราจะหาเสื้อผ้าชุดใหม่มาเปลี่ยนได้จากที่ใดในตอนนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะมีท่านผู้อ่านเป็นนั้นมากที่คิดว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าของพวกเรานี้จะต้องมีพิธีรีตองมากมายโดยที่จะต้องมีเทพพ ย, ายดานำเครื่องทรงทิพย์มาให้และมีการชุมนุมกันอย่างใหญ่โตซึ่งข้าพเจ้าใครขอรีบบอกให้ทราบไว้เสียก่อนว่า เรื่องเช่นนี้ไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอย่างใดเลยในทันใดที่กัเจ้าตั้งจิตตามคำแนะนำของเอ็ดวินโดยอธิษฐานสละเสื้อผ้าชุดโลกมนุษย์ออกไปฉับพลันก็ปรากฏว่าเสื้อผ้าชุดนั้นจางหายไปหรือจะเรียกว่าละลายหายไปก็ได้และขณะต่อมาก็ปรากฏว่า มีเสื้อผ้าชุดโลกทิพย์ห่อหุ้มร่างกายของข้าพเจ้าอยู่โดยรอบซึ่งเป็นเสื้อผ้าชนิดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้เห็นผู้อื่นสวมใส่กันอยู่ทุกประการรูธก็มีความตื่นเต้นระคนกับความยินดีไม่น้อยไปกว่าข้าพเจ้าส่วนเอดวินก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาแล้วเช่นเดียวกันแต่ข้าพเจ้าสังเกตว่าชุดของเขาดูเหมือนจะส่งแสงเป็นประกายแวววาวงามกว่าของขา้าพเจ้าเอดวิน คงจะเคยกับปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้วจึงไม่ปรากฏว่าเขาได้แสดงอาการกิริยาผิดปกติอย่างใดที่ห้องโถงชั้นนอกเราได้เห็นมีทางเดินเข้าไปสู่ห้องภายในมีขนาดต่างๆกันในห้องมีเตียงนอนลักษณะหน้านอนเป็นอย่างยิ่งตั้งเรียงรายอยู่โดยทั่วไปที่บนเตียงแต่ละเตียงมีร่างบุคคลนอนนิ่งอยู่จากการสังเกตจะรู้สึกว่า ร่างบนเตียงเหล่านั้นกำลังนอนหลับอย่างสนิทโดยมีบุคคลจำนวนหนึ่งทั้งหญิงและชายซึ่งคงจะเป็นแพทย์และพยาบาลคอยเฝ้าดูร่างบนเตียงเหล่านั้นอยู่ยังเอาใจใส่พอเข้าไปสู่ห้องโถงข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเราได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลําแสงสีน้ำเงินทันทีซึ่งทำให้เรารู้สึกเป็นสุขและสดชื่นยิ่งขึ้นรู้สึกว่า ทุกคนในสถานที่นี้ทำงานกันอย่างจริงจังมองดูไม่รู้สึกว่าผู้ใดเป็นหัวหน้าหรือผู้ใดเป็นลูกน้องและในขณะเดียวกันเราก็เกิดความรู้สึกเป็นการเองกับทุกๆคนเป็นความจริงอย่างหนึ่งว่าชาวโลกทิพย์ทั้งปวงทำงานกันด้วยความเต็มใจและมีความรู้สึกเป็นสุขในงานนั้นจริงๆในที่นี้ไม่มีการบังคับให้ทำงานหรือทำงานอย่างขอไปที ทุกคนก้มหน้าก้มตาทำงานและรู้สึกเป็นสุขยิ่งขึ้นเมื่อเห็นงานของตนได้ผลเมื่อใดวิญญาณที่ตกปวังอยู่ค่อยๆฟื้นได้สติขึ้นมาทีละน้อยบรรดาผู้ที่เฝ้าพยาบาลอยู่จะรู้สึกปีติยินดีไม่น้อยไปกว่าผู้ที่คอยฟังข่าวอยู่ข้างล่างเหมือนกันเราได้รับคำบอกเล่าว่าวิญญาณที่ถูกส่งมาพักฟื้นอยู่ณที่นี้ ได้ประสบความป่วยไข้าทางร่างกายมาเป็นเวลานานดังนั้นเมื่อทิพยากายขาดจากสรีระกายแล้วจะถูกนำมาณาที่นี้ในสภาพที่หลับสนิทในบางรายเมื่อกายเนื้อแตกทำลายแล้วกายทิพย์ก็จะหยั่งลงสู่ความหลับทันทีโดยไม่มีขาดตอนตามปกติการป่วยไข้เป็นเวลานา น, านๆมักจะมีผลทำให้จิตใจอ่อนลง ซึ่งจะทำให้ทิพยากายอ่อนกำลังลงด้วยเหมือนกันจริงอยู่การอ่อนกำลังของทิพยากายนี้ไม่มีผลร้ายแรงเหมือนกับผลซึ่งมันเกิดกับกายเนื้อก็จริงแต่ทิพยากายนั้นก็จำต้องได้รับการพักผ่อนบ้างช่วระยะหนึ่งกว่าจะฟื้นและกลับมีกำลังขึ้นตามควรทิพยากายที่ยังตกผวังเมื่อถูกพามาถึงสถานที่นี้แล้ว จะได้รับการพยาบาลเป็นอย่างดีและเป็นพิเศษเสมอซึ่งแต่ละรายก็คงจะต้องใช้เวลาพักฟื้นเร็วบ้างช้าบ้างแตกต่างกันไปตามแต่กรณีในระหว่างระยะเวลาพักฟื้นนี้ดวงจิตจะตกอยู่ในสภาพที่หลับสนิทและได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆไม่มีการฝันหรือการเพ้ออย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิน้นภาพของวิญญาณ ที่ตกเขาวังอยู่หน้าเบื้องหน้าของข้าพเจ้ากับทั้งความเป็นไปของโลกทิพย์ที่เห็นอยู่แก่ตาของเราณบัดนี้ทำให้ข้าพเจ้าอดนึกถึงความเชื่อเหลวไหลที่พวกเราเชื่อถือเป็นจริงเป็นจังกันเสียไม่ได้นี่นะรืคือสภาพแห่งการพักผ่อนหรือความหลับชั่วอนันตการที่เราได้เคยเชื่อถือตามตามกันมาว่าวิญญาณจะต้องนอนหลับ รอคอยการตัดสินอยู่จนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะมาทำการพิพากษาโทษมนุษย์ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากต่างกลัววันพิพากษาโทษนี้ยังฝังจิตฝังใจแต่สภาพความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเรานบบัดนี้ได้แสดงว่าความเชื่อถือเหล่านั้นเป็นเรื่องเดือไหลหาความจริงไม่ได้เลยข้าพเจ้าได้รับคาบอกเล่า ว, ว่า พวกเราทั้งสามคนไม่มีใครถูกนํามายังสถานที่พักฟื้นแห่งนี้หรือแห่งไหนไหนเลยทั้งนี้เพราะการเจ็บป่วยของพวกเราไม่ได้เรื้อรังอยู่นานและการที่ที่พยากายขาดจากสรีระกายก็เป็นไปอย่างสงบไม่กระวนกระวายซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าพวกเรามีสติดีอยู่ด้วยกันทุกคนในขณะที่จะถึงแก่ความตายร่างที่นอนอยู่บนเตียงเหล่านี้ คือกายทิพย์ของผู้ที่ลากายเนื้อผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการพักฟื้นจะมีแพทย์พยาบาลคอยให้การรักษาและประครับประคองอยู่ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่ช้าก็เร็ววิญญาณหรือกายทิพย์เหล่านี้จะมีอาการค่อยค่อยฟื้นคืนสติขึ้นมาทีละน้อยละน้อยในขณะนี้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆจะถูกเรียกตัวมา เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในระยะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อโดยเฉพาะบางรายเมื่อเริ่มปรากฏอาการรู้สึกตัวขึ้นก็ค่อยๆรู้สึกตัวมากขึ้นทุกขณะจนกระทั่งตื่นขึ้นเต็มที่แต่ในบางรายเมื่อมีอาการรู้สึกตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยก็กลับหมดสติต่อไปใหม่ซึ่งผู้พยาบาลก็ต้องคอยเฝ้าให้การรักษาพยาบาลกันต่อไปสำหรับผู้ที่ตื่นขึ้นเต็มที่แล้ว ผู้ที่เฝ้าดูแลอยู่ก็จะพากันรู้สึกปีติยินดีที่เห็นงานของตนเป็นผลสาเร็จไปขั้นหนึ่งแต่ก็ยังมีงานหนักที่จะต้องกระทำต่อไปอีกเหมือนกันงานนี้คือการบอกให้กายทิพย์ที่ตื่นขึ้นมานั้นทราบว่าเขาได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วและบัดนี้กําลังมีชีวิตอยู่หลังจากการตายนั้นงานนี้เป็นงานหนักก็เพราะว่าผู้ตายส่วนมาก มักไม่ใครยอมเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆการอธิบายให้ทราบจึงต้องค่อยทำค่อยไปอย่างสุภาพและมีเหตุผลโดยปกติผู้ตายเหล่านี้เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ยังจำได้ว่าตนได้รับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานมาแล้วอย่างในสมัยเมื่อยังคลองกายเนื้ออยู่แต่พอได้อธิบายให้เห็นจริงก็เกิดความตื่นเต้นและความกระหาย อยากจะกลับไปหาญาติพี่น้องและมิจฉหายที่อยู่ในโลกมนุษย์เพื่อถามข่าวคราวความทุกข์สุขบ้างและเพื่อเล่าความจริงว่าตนยังมีชีวิตอยู่ทั้งๆ ท, ที่ได้ตายมาแล้วบ้างแต่ผู้ตายเหล่านี้ก็จะได้รับคำบอกเล่าว่าเขาไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เพราะโลกทั้งสองมีสภาวะต่างกันส่วนความเป็นไปในโลกมนุษย์เกี่ยวกับญาติพี่น้องและมิจฉหายนั้น ก็จะมีผู้เท ล, ล่รับมอบหมายในทางนี้คอยเป็นธุระดูแลให้โดยในนี้จะเห็นได้ว่าผู้ตายเหล่านี้จะไม่ค่อยมีความสบายใจนักโดยที่ยังมีจิตใจเป็นห่วงทางเบื้องหลังอยู่เสมอซึ่งผิดกับผู้ที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้คอยรับเหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นกับตนมาแล้วผู้ที่ตายด้วยความมีสติเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ จึงไม่ค่อยมีความเดือดร้อนใจในเรื่องเช่นนี้เหมือนกับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยอันที่จริงถ้าชาวโลกมนุษย์มีความเข้าใจเรื่องโลกทิพย์ดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบันเรื่องเช่นนี้ก็คงจะไม่มีปรากฏอย่างนั้นเพราะผู้ตายคงจะไม่ต้องได้รับความทรมานตื่นเต้นหรือความผิดหวังอย่างมากมายดังเช่นในปัจจุบันนี้เลยชาวโลกมนุษย์คิดว่า ตนเองเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าเป็นผู้ที่มีอรารยธรรมอันสูงซึ่งเป็นเรื่องหลงผิดที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะชาวโลกมนุษย์พากันถือว่าโลกมนุษย์เท่านั้นมีความเป็นอยู่ยังเป็นแก่นสารแท้จริงและมีความสําคัญเหนือโลกอื่นใดส่วนโลกแห่งวิญญาณ น, นั้นหากจะมีอยู่จริงชาวโลกมนุษย์ก็คิดจะว่า คงมีความเป็นอยู่อย่างมืดสลัวหรือเป็นเงาเงาเท่านั้นหาความแท้จริงอย่างใดไม่ได้เลยเมื่อมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็พากันคิดซะว่าป่วยการที่จะไปคำนึงถึงบุคคลนั้นอีกต่อไปเพราะบุคคลผู้นั้นไม่มีความเป็นอยู่อันแท้จริงอย่างใดๆอีกต่อไปแล้วทัศนของชาวโลกมนุษย์เช่นนี้ ทำความลำบากให้แก่ชาวโลกที่เป็นอย่างยิ่งสภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าขนาดนี้เป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ตายนับจำนวนหลายพันซึ่งถูกส่งมารับการพักฟื้นอยู่หน้าที่นี้ล้วนเป็นผู้ที่โง่เขลาต่อความจริงเกี่ยวกับความตายทั้งสิน้นกว่าผู้พยาบาลจะอที่บายชี้แจงเหตุผลให้เห็นจริงได้ก็เป็นงานหนักไม่ใช่น้อย นี่แหละคือผลของการที่ชาวโลกมนุษย์คิดว่าเป็นผู้พิเศษเป็นผู้มีความเป็นอยู่อันแท้จริงในโลกของตนยิ่งกว่าในโลกอื่นใดใ ด, ดทั้งสิน้นผู้ประสบมรณกรรมอันรุนแรงโดยกระทันหันเมื่อออกจากห้องนี้เราได้พากันเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งกว้างขวางใหญ่โตมากเช่นเดียวกันห้องนี้เป็นห้องที่จัดไว้เป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่เดินผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้โดยการประสบมรณกรรมยังรุนแรงและทันทีทันใดผู้ตายที่ถูกส่งมาอยู่ในห้องนี้เป็นภาระาหนักแก่ผู้พยาบาลยิ่งเสียกว่าในห้องที่แล้วมามรณกรรมอันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเวลากระทันหันทำให้จิตใจเกิดความสับสนและยุ่งเหยิงยากที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีสติสัมปชัญญะได้ดังเช่นเดิม ทั้งนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจมิได้เคยเป็นค่อยไปเหมือนอย่างในรายที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่เป็นเวลานานในกรณีเช่นนี้กายทิพ์ถูกสลัดออกจากกายเนื้ออย่างรุนแรงจนเตรียมตัวไม่ทันสัญญาเก่าๆที่อาศัยกายเนื้อก็ไม่ดับกายทิพก็ผ่านเข้าสู่โลกทิพโดยปัจจุบันทันด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ในโลกทิพ ก็จะต้องคอยรับเอาไว้และพามาสู่โลกทิพย์ทันทีในโลกทิพย์มีเจ้าหน้าที่เฉพาะการนี้อยู่มากมายล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายในเรื่องเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อเราเข้ามาในห้องนี้ก็ได้เห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของห้องและความยากลำบากของผู้พยาบาลจึงรู้สึกได้ทันทีว่างานเช่นนี้เป็นงานใหญ่จริงๆเมื่อคิดแล้วก็อดสงเวชใจไม่ได้ เพราะถ้ากายทิพย์เหล่านี้ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้อันถูกต้องเกี่ยวกับความตายและความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ซะบ้างแล้วทั้งตัวผู้ตายเองและผู้พยาบาลก็คงจะไม่ต้องประสบความยากลำบากเช่นนี้เป็นภาพที่น่าสังเวชอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นผู้พยาบาลต้องทำงานหนักทั้งกายและใจจริงๆในการที่จะต้องประคับประคอง ดวงวิญญาณที่โง่เขลาต่อความจริงเช่นนี้ซึ่งมีมาแทนกันอยู่ตลอดเวลาบุคคลเหล่านี้เมื่อฟื้นขึ้นมาและได้รับคำชี้แจงจนเห็นจริงแล้วก็มักจะเกิดความเดือดร้อนในความหลงงมงายของตนเองและของชาวโลกมนุษย์โดย ท, ทั่วไปเป็นอย่างยิ่งเอ็ดวินจึงเอ่ยขึ้นว่าเราได้ดูความเป็นไปของสถานที่นี้มานานพอสมควรแล้ว จึงควรจะกลับเสียทีรูธกับข้าพเจ้าเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทั้งนี้เพราะเราทั้งสองยังเป็นผู้ที่มาสู่โลกนี้ไม่นานการได้เห็นภาพที่น่าสลดใจเช่นนี้ทําให้รู้สึกเหี่ยวแห้งอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นเราจึงออกมาจากตึกและเดินเข้าไปในสวนพลไม้รอบบริเวณตึกซึ่งมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมากโดยปกติเขาใช้ผลไม้ชนิดนี้ สำหรับผู้ที่เพิ่งฟื้นคืนสติขึ้นมาใหม่ๆเพื่อช่วยให้มีกำลังสดชื่นขึ้นแต่อันที่จริงผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรารถนาจะรับประทานผลไม้นี้ก็ย่อมจะทำได้โดยไม่มีผู้ใดห่วงห้ามในขณะนี้ขพระเจ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ็ดวินอาจจะได้ใช้เวลาอันมีค่าของเขามาอยู่กับเรานานเกินสมควรแล้วก็เป็นได้ ซึ่งทำให้เรารู้สึกเกรงใจเขาเป็นอย่างยิ่งแต่เอ็ดวินได้บอกว่าการที่เขามาอยู่กับเราและคอยให้คำแนะนำต่างๆแกเรานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเขาเหมือนกันทั้งนี้เพรงงานของเขาก็คือการคอยให้คำแนะนำสั่งสอนแกผู้ที่เพิ่งมาถึงในโลกนี้จนกว่าจะเกิดความคุ้นเคยในสภาวะที่แวดล้อมและคุ้มครองตนเองได้ ในขณะที่เราทั้งสามเดินไปด้วยกันก็ได้เริ่มสนทนาถึงทัศนะของชาวโลกมนุษย์ที่มีอยู่ต่อพวกเราในแง่ต่างๆกันรุดเป็นผู้เอ่ยขึ้นก่อนถึงเรื่องปีกนกซึ่งชาวโลกมนุษย์มักจะกาเกณฑ์ถือเป็นหลักว่าพวกชาวโลกทิพย์ทั้งหลายจะต้องมีปีกเหมือนนกเสมอไม่เช่นนั้นก็ไม่สมกับความเป็นชาวโลกทิพย์หรือเป็นเทวดาบัดนี้ เมื่อเราได้ประสบภาวะความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าก็ทําให้เรารู้สึกว่าสมมติว่าเราจะต้องมีปีกเช่นนั้นจริงการเดินทางไปไหนมาไหนคงจะดูรุ่มร่ามทีลึกแนวคิดของชาวโลกมนุษย์เรื่องปีกของเทวดานี้เราคิดว่าน่าจะมาจากพวกศิลปินในสมัยโบราณมากกว่าสิ่งอื่นบรรดาศิลปินเหล่านั้นคงจะคิดเอาเองว่า การไปไหนมาไหนโดยใช้ขาเดินนั้นดูจะเป็นของต่ำเกินไปแต่เมื่อไม่รู้ว่าจะหาวิธีอื่นใดจึงจะสมเกียรติภูมิของเทวดาก็เลยทึกทักใส่ปีกเข้าให้เพราะจิตใจของท่านเหล่านั้นก็คงนึกไปไม่ถึงว่าเราสามารถจะเคลื่อนไหวไปด้วยความรวดเร็วได้อย่างไรถ้าไม่มีปีกในขณะนี้ เราได้มองเห็นเมืองอยู่ข้างหน้าเราห่างออกไปไม่ไกลนักเอ็ดวินจึงกล่าวชวนขึ้นว่าเราควรจะไปดูเมืองนั้นเพื่อจะได้รู้เห็นว่าชาวเมืองในโลกทิพย์มีความเป็นอยู่กันอย่างไรที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าอยู่ไม่ไกลออกไปนั้นไม่ได้หมายความว่าความใกล้หรือไกลจะทำให้เกิดความแตกต่างแกเราแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า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 เราจะไปที่นั่นให้ได้จะเป็นที่ไหนก็ตามและในพลิบตาต่อมาเราก็จะไปอยู่ที่นั่นจริงๆในระยะแรกๆสมหรือสี่ครั้งอาจต้องกินเวลาสำหรับทำความพยายามเพื่อสํารวมใจให้แนว่วแนว่เช่ก่อนไม่มากก็น้อยแต่ในระยะหลังเมื่อจิตของเราเกิดความคุ้นเคยต่อการฝึกหัดเช่นนั้นแล้วผลจะบังเกิดขึ้นเองในทันทีทันใด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 โดยในนี้ความสามารถที่จะไปไหนได้ในทิพตานั้นจึงหมายความว่าสถานที่เหล่านั้นจะต้องอยู่ในอนาบริเวณของโลกทิพในชั้นภูมิที่เราดำรงอยู่เท่านั้นเมื่อข้าพเจ้ากับรูทต้องการจะทดลองความจริงข้อนี้ดูว่าเอ็ดวินได้กล่าวเป็นเชิงให้หายวิตกกังวลว่าสิ่งที่เราไม่ควรต้องกลัวอีกประการหนึ่งก็คือการหลงทางเพราะในโลกนี้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 และเป็นไปอย่างช้ากว่าปกติของชาวโลกทิพทั่วไปมากเอ็ดวินได้กล่าวว่าการทกลองครั้งแรกๆนี้คงจะทำให้เราสนุกและตื่นเต้นไม่ใช่น้อยและได้กล่าวย้ำว่าไม่ต้องกลัวอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเลยไม่ห่างจากเราไปเบื้องหน้ามีกอไม้เล็กๆกอหนึ่งคิดเป็นระยะทางของโลกมนุษย์ก็คงจะอยู่ในระยะประมาณสิบเส้นซึ่งเอ็ดวินแนะนาว่า ในครั้งแรกนี้ให้เราทั้งสองอธิษฐานจิตว่าจะไปอยู่ณที่นั้นในครั้งแรกให้เราเพ่งไปที่กอไม้กอ น, นั้นให้แน่วแนว่และถ้ายังรู้สึกตื่นเต้นมากจะจับมือกันไว้ก่อนก็ได้แต่ให้เราทั้งสองไปกันตามลําพังโดยเขาจะนั่งรออยู่ณที่เดิมรุตกับข้าพเจ้าคงจะมีความประหม่าและตื่นเต้นไม่น้อย เพราะเป็นเวลาครู่หนึ่งที่เราจ้องมองดูกอไม้กอนั้นแล้วก็หันมาแลดูตากันพร้อมกับตั้งใจคอยอยู่ด้วยใจระทึกแต่แล้วก็ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเริ่มต้นก่อนขณะที่เรากาลังพะวะาเพรวังอยู่ด้วยความไม่แน่ใจนี้เองเอ็ดวินก็ร้องเตือนขึ้นในทันทีว่าอา้าวไปสิคำสั่งของเอ็ดวินดูจะเป็นเครื่องเพิ่มกาลังใจให้แกเราได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ พอในพิบตาต่อมาเราก็รู้สึกตัวว่าได้มาอยู่ที่กอไม้นั้นเสร็จแล้วเราทั้งสองมองดูหน้ากันอย่างครึ่งประหลาดใจและครึ่งสนุกเมื่อหันกลับไปมองดูตามทิศทางเดิมก็เห็นเอ็ดวินกำลังโบกมือให้กับเราอยู่ไหวๆในทันใดนั่นเองก็มีอะไรบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นเราต่างรู้สึกว่ามีแสงประหลาดสว่างวูบมาตรงหน้า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 ประการที่สองก็คือความสามารถในการส่งความคิดหรือกระแสจิตออกไปทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเราสามารถตั้งจิตให้กายของเราเคลื่อนไหวไปได้ด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้วฉนันไหนจะส่งกระแสความคิดไปบ้างไม่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ณที่ก่อไม้นั้นจึงสามารถได้ยินเสียงของกระแสความคิดที่เอ็ดวินส่งมานั้นได้ ไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกลสักปานใดโดยในยะเดียวกันเมื่อเราจะส่งกระแสจิตของเราไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทิพนี้ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงด้วยความรักใคร่หรือจะเป็นการบอกข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดก็าตามกระแสจิตนั้นจะไปถึงผู้รับในทันทีเหมือนกันสภาวะของโลกทิพเป็นอย่างนี้ซึ่งหากท่านจะถามข้าพเจ้าว่าเป็นไปได้อย่างไร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 และมีอากาศเม้นอับอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งนี้เพราะพื้นที่ในโลกมนุษย์มีราคามากนอกจากนั้นความขับข้างของยวดยานและเสียงอุกะตึกต่างๆอันเกิดจากยวดยานบ้างเกิดจากเสียงเอ็ดอืงอย่างอื่นอีกบ้างทำให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสภาพที่ให้ความเดือดร้อนและอึดอัดยิ่งเสกว่าความสะดวกและสบายชีวิตของชาวโลกมนุษย์ เต็มไปด้วยความกระหืดกระหอบร้อนรนวุ่นวายต้องแก่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆก็จะมีคขโมาไฟจากปล่องโรงงานเป็นเครื่องเพิ่มความรำคาญให้ทุกขนาแต่ในที่นี้เราเห็นสนามหญ้าอันเขียวขจีดุดสีมรกตขึ้นได้ระดับเรียบเสมอกันโดยตลอดหน้าที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นกลางใจเมือง เราเห็นตึกหลังหนึ่งตั้งเด่นอยู่ที่ศูนย์กลางของทางหลายสายซึ่งมาบรรจบกันณนะที่นั้นเบื้องบนจะแลเห็นลำแสงพวยพุ่งลงมาที่ยอดโดมของตึกนี้ซึ่งเราก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเฮเอ็ดวินบอกว่านี่คือโบสถ์นั่นเองโบสถ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเราโดยแท้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 เขาก็สามารถจะศึกษาต่อไปได้ในโลกนี้อย่างสมใจรักทีเดียวอนณาเขตของโลกทิพย์ความสงสัยประการหนึ่งของข้าพเจ้าก็คือเรื่องอนาเขตของโลกทิพย์ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่าที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นรู้สึกว่าแปรดูไกลออกไปสุดสายตาโดยรอบด้านอันที่จริงสายตาของเราในขณะนี้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 โลกทิปนี้จะมีขอบเขตบ้างหรือไม่ถ้ามีจะอยู่ที่ไหนและพ้นจากนั้นไปจะเป็นอะไรกันแน่เรื่องนี้เอ็ดวินได้ให้คำตอบแกเราว่าอนาเขตของโลกทิปนี้ต้องมีอยู่เป็นแน่และเราจะไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ตามความปรารถนาส่วนที่นอกเหนือจากอาณาเขตนั้นไปก็คงเป็นโลกทิปชั้นอื่นๆ อ, อันประเนียขึ้นไปกว่านี้ก็มี และที่ยามกว่านี้ก็ยังมีการที่บุคคลแต่ละคนจะผ่านเข้ามาสู่โลกทิพยภูมิไหนหลังจากที่ได้ละกายเนื้อมาแล้วนั้นก็สุดแล้วแต่กรรมของตนที่สะสมไว้ในโลกมนุษย์จะหยาบหรือละเอียดเพียงใดกล่าวอีกใยหนึ่งก็คือก็จะได้อยู่ในโลกทิพย์อันต่ำหรือสูงเพียงใดก็สุดแล้วแต่ความอยากหรือประณีตแห่งจิตของเขานั่นเองอันที่จริง ยังมีภูมิแห่งโลกทิพย์ที่สูงและประนีตกว่าภูมิที่เราอยู่นี้อีกมากนักความงามและความสงบสุขของภูมิเหล่านั้นก็มีมากกว่าภูมิของเราอย่างมากมายในภูมิเช่นนี้เราย่อมไม่สามารถจะเข้าไปได้จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรคือเมื่อเราได้ขัดเกลาจิตของเราให้ประนีตขึ้นจนสมควรแก่การเลื่อนขึ้นไปซะก่อนหรือไม่ก็ในกรณีพิเศษเป็นบางครั้ง ที่เราจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวในฐานะผู้ไปเยี่ยมเยียนซึ่งทั้งนี้ก็ต้องได้รับอนุญาตและต้องมีผู้คุ้มครองนำเข้าไปเป็นพิเศษด้วยแต่ถึงแม้โดยปกติเราจะเข้าไปไม่ได้ก็าตามท่านที่อยู่ภูมิสูงสูงขึ้นไปเหล่านั้นก็มักจะมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างเหมือนกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คําแนะนําสั่งสอนแกเราตามสมควรและด้วยเหตุนี้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 จะต้องไปเยี่ยมเยียนให้ได้สักครั้งหนึ่งทั้งภูมิที่สูงกว่าและต่ำกว่าเหล่านั้นบทที่5การเดินทางไปสู่ภูมิแดนของภูมิที่ต่ำและสูงกว่าในการเดินทางไปเยี่ยมภูมิที่สูงกว่าหรือที่ต่ำกว่าเรานั้นมีข้อแตกต่างกันอยู่ประการหนึ่งคือเราจะเข้าไปสู่ภูมิที่สูงกว่าไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นครั้งคราวหรือต้องเลื่อนสภาวะแห่งจิตของเราให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นน้นเชก่อนแต่สำหรับภูมิที่ต่ำกว่ า, านั้นเราจะไปเยี่ยมเมื่อไร่ก็ได้แต่แม้กระนั้นก็มีข้อที่ควรสงวอนอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะต้องศึกษาหาความรู้โดยให้เจ้าหน้าที่ในภูมินั้ น, น, นให้คาแนะนาแก่เราเสียก่อนในเรื่องนี้ ก็เป็นอันตกลงกันว่าเราจะท่องเที่ยวไปในภูมิของเรานี้ให้เห็นความเป็นไปจนเพียงพอเสอียก่อนเกี่ยวกับอาาเขตอันแน่นอนของโลกหรือภูมิที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้เราจำต้องหัดเลือกคิดอย่างชาวโลกมนุษย์เสบ้างในโลกมนุษย์ระยะทางเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งแต่ในที่นี้ความใกล้หรือไกลไม่มีความสาคัญแต่อย่างใด พอเราสามารถจะไปถึงที่ทุกคนทุกแห่งได้โดยฉับพลันในขณะที่นึกนั่นเองในที่นี้ขออย่าให้ท่านเข้าใจผิดว่าโลกของเราคงจะมีแต่พื้นที่แบนๆยาวเหยียดออกไปสุดสายตาหามิได้เลยพื้นที่ของโลกก็คงประกอบไปด้วยที่ลุ่มราบบ้างและภูเขาใหญ่น้อยบ้างเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์นั่นเองนอกจากนั้น บรญยากาศของโลกเราก็แจ่มใสยิ่งกว่าโลกมนุษย์มากมายนักสายตาของเราก็สามารถมองไปได้ไกลแสนไกลอันหนึง่งเราไม่จำเป็นจะต้องถือเอาพื้นแผ่นดินเป็นหลักสำหรับรองรับเท้าของเราทั้งนี้เพราะว่าเราสามารถจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้แม้โดยที่เท้าไม่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทางราบหรือทางสูงก็ตามเพราะเมื่อเราสามารถจะจมลงไปอยู่ใต้น้ําได้โดยไม่มีอันตรายอย่างใดแต่กลับเป็นความชุ่มชื่นประการหนึ่งเช่นนี้แล้วเราก็ย่อมสามารถจะลอยขึ้นไปในอากาศได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกันความจริงข้อนี้เมื่อเอ็ดวินได้กล่าวขึ้นก็ทําให้พระเจ้ากับรูธรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทําให้เอ็ดวินรู้สึกขบขันในอากับกิริยาของเราอยู่ไม่น้อยเพราะโดยที่เราทั้งสองยังไม่คุ้นเคยกับสภาวะของโลกและชีวิตใหม่ของโลกและชีวิตใหม่ของเรานักจึตอดคิดอะไรต่อมีอะไรไปตามความเคยชินของโลกมนุษย์ไม่ได้เรื่องเช่นนี้เอ็ดวินได้บอกว่าเป็นของธรรมดาเช่นนั้นเองเพราะในโลกมนุษย์กับโลกนี้ มีความแตกต่างกันอย่างมากมายอยู่หลายอย่างหลายประการที่ชาวโลกมนุษย์คิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นไปได้ถึงเช่นนั้นดังนั้นกว่าผู้มาใหม่จะปรับตนเองทั้งในด้านร่างกายและจิตใจให้เข้ากับสภาวะแห่งโลกนี้ได้จึงต้องกินเวลาบ้างตามสมควรพรมแดนระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์ณที่นี้หากจะตั้งปัญหาโดยแน่นอนว่า อาณาเขตของโลกทิพย์ที่ติดต่อกับโลกมนุษนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ขเทพเจ้าก็ต้องขอให้ท่านระลึกย้อนหลังไปถึงเวลาที่ก็พระเจ้าเจ็บหนักและกําลังนอนอยู่บนเตียงในขณะนั้นคือเมื่อถึงเวลาที่กายทิพย์กำลังจะพลากจากกายเนื้อขเทพเจ้าก็รู้สึกว่ามีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะลุกขึ้นจากเตียงให้ได้และในที่สุดก็รู้สึกตัวว่าได้ลุกขึ้นแล้วจริงๆ ซึ่งอันที่จริงกายเนื้อยังคงนอนทอดอยู่บนเตียงนั่นเองเพราะกายมนุษย์ของข้าพเจ้าเจ็บหนักจนลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ารู้สึกตนว่าได้ลุกขึ้นมาจากเตียงนี้เองก็ปรากฏขึ้นในโลกทิพย์โดยฉับพลันโดยในนี้ย่อมจะมองเห็นเค้าได้ลางๆว่าโลกทิพย์นี้น่าจะเป็นโลกลับแหลซ้อนอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองครั้นได้ขณะต่อมา เมื่อข้าพเจ้าได้กาะแขนเอ็ดวินและหลับตานั้นก็รู้สึกตัวว่ากำลังเดินทางอยู่แต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าได้เดินทางไปใกล้หรือไกลเพียงใดและเดินทางไปในทิศใดบ้างคือไม่ทราบว่าจะเป็นการเดินทางขึ้นหรือลงหรือในทางราบก็รู้สึกแต่เพียงว่าได้มีการเดินทางเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเท่านั้นในเรื่องนี้ เอ็ดวินได้บอกแกข้าพเจ้าในภายหลังว่าตลอดเวลานั้นเราได้เดินทางผ่านโลกทิพย์ที่ต่ําและหยาบกว่าเราและโดยที่เป็นโลกซึ่งไม่น่าดูนักเขาจึงได้บอกข้าพเจ้าหลับตาเสียโดยเกรงว่าอาจจะไม่สามารถทนต่อสิ่งที่จะเห็นได้อันหนึง่งเนื่องจากเขาได้รับคําสั่งให้มานำข้าพเจ้าไปสู่โลกนี้โดยเฉพาะจึงได้รับความคุ้มกันเป็นพิเศษ มิให้เป็นอันตรายจากการเดินทางผ่านโลกทิพย์ที่หยาบเหล่านั้นอันที่จริงในระหว่างเดินทางผ่านมานั้นผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ที่หยาบเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสได้เห็นเราเลยนอกจากผู้ที่อยู่ในภูมิสูงกว่าเราเท่านั้นโดยลักษณะภูมิประเทศภายนอกของโลกทิพย์นี้การเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยจากภูมิหนึ่งไปยังอีกภูมิหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นจากภูมิที่ต่ำไปหาภูมิที่สูงหรือที่สูงลงมาหาภูมิที่ต่ำกว่าก็ตามด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่จะกาหนดแน่นอนลงไปว่าภูมิหนึ่งภูมิหนึ่งมีเส้นเขตดดนที่แท้จริงอยู่ที่ใดเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพดังกล่าวนี้ค่อยๆกลมกลืนเข้าหากันทีละน้อยจนไม่สามารถหาเส้นหลักเข็ดดนอันแน่นอนให้เห็นได้ เหมือนกับเส้นเขตแดนของประเทศในโลกมนุษย์การเดินทางไปสู่ชายแดนของภูมิต่ำเอ็ดวินจึงกล่าวชวนขึ้นว่าเพื่อพิสูจน์เห็นความจริงข้อนี้เราควรเดินทางไปดูปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยตนเองซึ่งข้าพเจ้ากับรูตก็ตกลงทันทีในขั้นแรกเราได้ตกลงกันว่าจะลองไปทางด้านภูมิที่ต่ากวาเราดูก่อน เราได้มาปรากฏกายอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เมื่อมาเมื่อเดินต่อไปก็รู้สึกว่าความอ่อนนุ่มของพื้นหญ้านั้นค่อยๆหายไปทุกทีคือยิ่งเดินทางไกลออกไปก็จะรู้สึกว่าพื้นดินและหญ้าที่เราย่างเหยียบลงไปนั้นแข็งกระด้างยิ่งขึ้นความเขียวสดของพื้นหญ้าก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกันแปรดูเป็นสีเหลืองซีดเพิ่มขึ้นทุกขณะ และดูประหนึ่งญาในโลกมนุษย์ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินที่แห้งแล้งและแตกระแหงซ้ำถูกแดดเผาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นโดยรอบบริเวณป่าสจากไม้ผลไม้ดอกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใดๆทั้งสิน้นสภาวะที่แวดล้อมยิ่งเพิ่มความว่างเปล่าเปลี่ยวและวังเวเงชวนใจให้เศร้าสลดยิ่งขึ้นทุกย่างก้าวเราเหลียวมองไปโดยรอบจนสุดสายตา แต่ก็าหาวี่แววของชีวิตไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือพืชนสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะในบัดนี้แม้ต้นหญ้าที่เคยขึ้นอยู่รอมหลัเป็นสีเหลืองเกลียมดุดถูกแดดเผาอย่างทารุณ น, นั้นก็ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกต่อไปเรากำลังเดินอยู่บนพื้นดินที่แข็งกระด้างอย่างที่กบ เ, เจ้าไม่เคยประสบมาก่อนเลยนอกจากนั้นบรรยากาศโดยรอบ ก็เริ่มเยือกเย็นลงเป็นลำดับขับความอบอุ่นอันเป็นลักษณะแห่งภูมิเก่าให้หายไปทุกทีบัดนี้รอบกายของเรามีแต่ความชื้นแฉะและเย็นจะเยือกจับหัวใจมันทำให้เราเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นและหวั่นหวาดไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจอย่างอธิบายไม่ถูกรูดเกาะแขนเอ็ดวินไว้แน่นสีหน้าและท่าทางของเธอบอกความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัด ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าจะมีอาการไม่ดีไปกว่าเธอนักเพราะคู่หนึ่งต่อมาก็รู้สึกว่าหมดความเหนียวรั้งใจต้องกอกแขนเอดวินไว้นั่นเช่นเดียวกันในที่สุดข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่ารู้เริ่มมีอาการสั่นสะท้านไปทั่วร่างอย่างน่าสงสารเธอหยุดเดินโดยฉับพลันและดึงแขนเอดวินไว้พร้อมกับแลดูเอดวินเป็นเชิงขอร้องมิให้เดินต่อไปอีก เอ็ดวินได้ยกแขนขึ้นโอบไหล่ของเราทั้งสองไว้พร้อมกับปลอบให้เราหายกลัวเพราะเขามีอำนาจที่คุ้มครองให้เราได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่แต่เมื่อเห็นแววตาและท่าทางของเรายังไม่คลายจากความหวาดหวั่นเท่าใดนักก็คงจะรู้สึกสงสารและเห็นใจเขาจึงบอกแกเราว่าในครั้งนี้เราควรจะเป็นการเพียงพอกันเพียงแค่นี้ก่อนต่อไปภายหน้า เมื่อเราได้เตรียมตัวและเตรียมใจมากขึ้นกว่านี้เขาจะพาเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้เห็นความเป็นไปให้มากยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็หันหลังกลับและในขณะต่อมาเราก็ได้มาปรากฏกายอยู่บนพื้นหญ้าอันเขียวขจีมีดอกไม้ล้อมรอบอันเป็นสภาวะที่แท้จริงแห่งภูมิของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งขพระเจ้าต้องสารภาพว่า ได้รับความรู้สึกโล่งใจและเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกจริงๆเห็นจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่ารูทก็คงเป็นเช่นเดียวกันเราต่างเห็นจริงว่าการเข้าสู่ภูมิเช่นนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีกําลังใจและต้องการเครื่องคุ้มกันตัวอย่างมากมายเพียงใดการเดินทางไปสู่ชายแดนของภูมิสูงหลังจากที่ได้นั่งพักผ่อนและระ ง, งับใจอยู่พักหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้าก็อดถามเอ็ดวินถึงเรื่องพรมแดนของโลกทิพชั้นที่สูงขึ้นไปไม่ได้ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าคงจะไม่มีสิ่งที่น่าเศร้าใจหรือทําให้หวาดวันวิตกดังเช่นที่เราได้ประสบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นหน้าและเพื่อให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบกันดูเพื่อให้ได้ความรู้อันสมบูรณ์ข้าพเจ้าจึงกล่าวนะว่าเราควรจะลองไปดูให้เห็นประจักรแก่าตาสักครั้งเอ็ดวินกล่าวว่า เขาไม่มีข้อขัดข้องและเราทั้งสามก็ออกเดินทางทันทีในขณะต่อมาเราก็ได้มาปรากฏกายอยู่บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มและเขียวขจีแตกต่างกันกับที่เราได้ประสบมาเมื่อสักครู่นี้อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ข้าพเจ้าไม่สามารถหาถ้อยคำบรรยายให้ถึงใจได้จริงๆว่าความเขียวอันสดชื่นนี้มีประมาณเพียงไรโดยรอบ จะและเห็นดอกไม้นานาพันธุ์อันชูช่อบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนในบรรยากาศก็แลดูคล้ายๆกันเป็นสีรุ้งทองล่องลอยและแทบซึมเข้าไปให้พลังแห่งความสดชื่นทั้งแก่ร่างกายและจิตใจของพวกเราทั่วกันทางเบื้องหน้าและด้านข้างของพวกเรามีเคหาสถานปรากฏอยู่ระหว่างอุทยานอันน่ารื่นรมนี้บ้างห่างๆกัน แต่เมื่อเราเหลียวมองไปข้างหลังก็แลเห็นอาคารอันใหญ่โตโอฬา น, นงดงามตั้งเด่นเรียงรายอยู่ในระยะไกลเอ็ดวินได้บอกแกเราว่าอาคารเหล่านั้นเป็นที่พำนักของท่านผู้มีจิตระนีต ด, ด้วยคุณธรรมอันสูงพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ในภูมิอันสูงขึ้นไปกว่านี้แล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทางานติดต่อโดยใกล้ชิดกับท่านผู้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไป และสามารถเข้าถึงภูมิอันประณนีตเหล่านั้นได้โดยไม่ลำบากและขัดค้องเหมือนอย่างพวกเราตรงข้ามกับความเยือกเย็นจนหนาวสะท้านและความหวาดหวั่นวิตกที่เราได้ประสบมาเมื่อสักครู่นี้ในบัดนี้เรารู้สึกมีความอบอุน่นและปีติแผ่สาบส้านไปทั่วร่างกายและจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนเลยเมื่อเราเดินต่อไปรู้สึกว่า รังสีของรุงทองนั้นได้รูปร้ายเอิบอาบอยู่รอบกายของเรามากขึ้นทําให้เรารู้สึกอย่างแจ่มชัดยิ่งกว่าคําบรรยายว่าความสุขสงบอันเกิดจากความประเนีดของจิตนั้นล้นค่ากว่าสมบัติพัสดฐานและความสุขอื่นใดทั้งสิ้นทําให้ข้าพเจ้าเกิดความตั้งใจยอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องภาคเพียรปฏิบัติเพื่อความประเนีดของจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้งเป็นอันขาด แต่เมื่อเราเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็รู้สึกว่าไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้อีกความจริงไม่มีหลักเขตแดนหรือเครื่องหมายใดๆอันจะเป็นเครื่องแสดงว่าเป็นที่หวงห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดเลยแต่เราก็รู้สึกได้เองว่าเราไม่สามารถจะหายใจเอาอากาศอันปรนี้ยงยิ่งขึ้นทุกที่นี้ต่อไปได้ยิ่งเดินไกลออกไปก็รู้สึกเหมือนว่าอากาศจะเจือจางลงทุกขณะ ในที่สุดเราก็จำเป็นต้องหันหลังกลับมาสู่ภูมิของเราด้วยความอาลายัยขากลับนี้เราต่างพากันรู้สึกว่าดูมือนตัวของเราจะเบาและลอยขึ้นอย่างประหลาดความอิ่มใจที่ได้รับในครั้งนี้น่าจะฝังอยู่ในความทรงจาต่อไปอีกนานซึ่งข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าเอ็ดวินก็มีอาการเช่นเดียวกับเราเหมือนกันแม้เขาจะได้อยู่ในที่นี้มาแล้วเป็นเวลานาน และได้เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาบ้างแล้วก็ตามในระหว่างขากลับนี้เราต่างเงียบกันไปพักใหญ่เพราะต่างก็มีข้อคิดและความรู้สึกประทับใจของตนยังไม่จางไปจากห่วงนึกประสบการณ์อันตรงกันข้ามกับที่เราได้ผ่านมาทั้งสองระยะเมื่อครู่นี้เองได้ทำให้เรามีความคิดต่างๆสับสนและลึกซึ้งเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคาพูดอย่างหนึ่งอย่างใดได้ได ต่อเมื่อเราได้กลับมาณที่เดิมของเราแล้วอีกภาคหนึ่งนั่นเองเราจึงได้ถามเอ็ดวินเพิ่มเติมอีกหลายประการซึ่งคำตอบเหล่านั้นเมื่อนำมาเรียบเรียงติดต่อกันเข้าแล้วก็จะได้เนื้อความดังต่อไปนี้การที่เราได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยกระทันหันและของจิตใจโดยรวดเร็วนั้นก็เพราะเราได้ที่ฐานใจไปสู่ชายนาเขตโดยฉับพลันทันที ถ้าเราได้ค่อยๆเดินไปทีละน้อยเราก็จะได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทีละเล็กทะน้อยทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกและในด้านสภาแวดแห่งจิตใจของเราอันเป็นส่วนภายในทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสู่ภูมิที่ต่ํากว่าหรือสูงกว่าก็ตามสําหรับการเดินทางไปสู่ภูมิต่ําลงไปนั้นจําเป็นที่ผู้เดินทางจะต้องมีเครื่องคุ้มกันตัวไปด้วย เครื่องคุ้มกันนี้อาจจะเป็นอำนาจบางอย่างหรือเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่จำเป็นในการนี้เอ็ดวินได้บอกแกเราว่าเครื่องป้องกันเหล่านี้เขามีอยู่ครบบริบูรณ์พร้อมที่จะให้ความคุ้มครองแกเราได้เสมอความจริงมีอยู่ว่าสถานที่เหล่านั้นไม่ใช่สาหรับใครจะไปเที่ยวดูเล่นๆ เ, เพียงเพื่อความบันเทิงใจ ผู้ที่จะเข้าไปสู่ที่นั้นต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ก็เป็นผู้ที่ได้รับอนุ ญ, ญาตหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษจริงๆผู้ที่พลัดเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัวหรือผู้ที่คิดว่าจะไปเล่นๆจะถูกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการอยู่ในบริเวณนั้นเชิญให้กลับเพราะถ้าล่วงล้ำเข้าไปมากเกินไปก็ อ, อาจจะได้รับอันตรายได้ความจริงมีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ทานเข้าไปสู่ภูมินั่นบ้างและออกมาบ้างอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่เห็นผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ใกล้กับเราในบริเวณนั้นเลยก็ตามทั้งนี้เพราะท่านเหล่านั้นก็ได้เดินทางไปเช่นเดียวกับเราเพื่ อ, อที่ฐานจิตไปถึงโดยฉับพลันไม่ได้มัวเสียเวลาเดินชมภูมิประเทศโดยรอบอยู่เลยส่วนที่พรมแดนของภูมิอันประณีตสูงขึ้นไปกว่าเรานั้น ไม่มีความจําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะต้องมีผู้คอยรักษาการอยู่เหมือนดังพรมแดนแห่งภูมิที่ต่ํากว่าดังกล่าวมาแล้วนั้นทั้งนี้เพราะเป็นไปด้วยกฎธรรมชาติเองคือจะเดินทางผ่านเข้าไปได้ก็โดยที่ได้รับอนุญาตและมีผู้คุมกันเสียก่อนเท่านั้นมิฉะนั้นทําอย่างไรอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้หากจิตของเรายังไม่มีความประณีต และสูงพอกับภูมินั้นๆในทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วเครื่องคุ้มกันในระหว่างเดินทางไปสู่ภูมิที่สูงกว่านี้อาจจะเป็นเครื่องหมายหรือสั ญ, ญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่จำเป็นแกการนี้ซึ่งจะทำให้ผู้เดินทางหายจากความอึดอัดอันจะเกิดขึ้นจากสภาวะต่างๆที่ผิดแผกไปจากภูมิของตนนอกจากนั้น ยังจะได้รับความช่วยเหลือแนะนาต่างๆที่จาเป็นจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านั้นอีกด้วยอันที่จริงบรรยากาศอันละเอียดประณีตหรือสภาวะแวดล้อมของภูมิอันสูงขึ้นไปซึ่งจะแตกต่างจากภูมิของเรานั้นย่อมจะไม่ทำอันตรายแก่เราเหมือนกับสภาวะแวดล้อมของภูมิที่ต่ำกว่าแต่การที่เราล่วงล้ำเข้าไปโดยยังไม่ถึงเวลาสมควรก็ดี หรือโดยไม่ได้มีเครื่องคุ้มกันหรือผู้ช่วยเหลืออยู่ก็ดีจะทำให้เกิดความรู้สึกคล้ายๆกับว่าได้อยู่ในที่มืดสนิทมาแล้วเป็นเวลานานแล้วกลับต้องโผล่ไปสู่ที่มีแสงสว่างจ้าโดยกระทันหันชะน้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้ก็เป็นแต่เพียงข้ออุปมาเท่านั้นเพราะผู้ที่อยู่ในที่มืดแล้วได้พบแสงสว่างโดยกระทันหัน แม้ในชั้นแรกจะรู้สึกฝ้าฟางหรือในตาพร่าไปเพราะแสงอันแรงกล้าอยู่บ้างก็จะเป็นเพียงครู่เดียวต่อจากนั้นก็จะสามารถปรับในตาตนเองให้เข้ากับแสงสว่างนั้นได้แต่สำหรับความจริงในเรื่องนี้แล้วย่อมไม่เป็นเช่นนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้ประกอบด้วยเหตุดังกล่าวมาคือจิตของเรายังไม่ได้ประณีตเพียงพอหรือเราไม่ได้มีความคุ้มกันอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว การปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่นี้จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยและเราก็จะรู้สึกมีความฝ้าฟางเช่นนั้นตลอดไปจนกว่าจะได้ถอยลงไปสู่ชั้นภูมิของตนทั้งนี้ก็เป็นไปโดยกฎธรรมชาตินั่นเองเพราะสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่มีไว้สําหรับให้ไเปเที่ยวเล่นแต่เป็นที่ที่เราจะเข้าถึงได้โดยความภาคเพียรทางจิตเท่านั้นหากในบางครั้ง ท่านผู้ที่อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปเหล่านั้นต้องการพบปากกับเราท่านก็อาจมาเยี่ยมเยียนเราได้หรือไม่ก็จะส่งผู้ที่ทำหน้าที่คุ้มครองมาพาเราให้ไปพบกับท่านในโอกาสเช่นนี้เราก็จะได้เดินทางไปได้ภายใต้ความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นอันว่าเราได้ตกลงกันว่าจะต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนภูมิทั้งที่ต่าและที่สูงขึ้นไปอีกสักครั้งให้ได้ สำหรับภูมิที่ต่ำลงไปนั้นเราไม่มีปัญหาที่จะต้องคบคิดหรือกังวลแต่อย่างใดเพาะโดยที่เอ็ดวินกล่าวว่าเขามีเครื่องคุมการอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ฉะนั้นหากเมื่อใดเรารู้สึกว่าเราได้เตรียมตัวและจิตใจไว้พร้อมดีขึ้นกว่านี้แล้วเราก็จะไปกันอีกครั้งหนึ่งทันทีและในคราวนี้เขาไเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะต้องพยายามเข้าไปข้างในอนาเขตที่สูงขึ้นไปนั้น เราก็าอาจจะต้องรอโอกาสเหมาะกว่าดีสักหน่อยเพราะอาจต้องรอปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของภูมินั้นด้วยก็ได้หนังสือเรื่องโลกทิพย์ภาคหนึ่งของมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียนี้ยังไม่จบท่านอาจติดตามอ่านต่อได้จากหนังสือชุดโลกทิพย์ซึ่งอาจารย์สรีพุดสุกได้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษซึ่งมีอยู่สามเล่มคือเล่มที่หนึ่ง Life in the World Unseen เล่มที่สอง More about life in the world unseen เล่มที่ส y e Here and Here After ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักคนคว้าทางวิญญาณเลขที่47ทับ2ถนนสามเส้นบางลำพูพระนครโทรศัพท์02 282 2025และ02 629 1951